อย่าทอ้ออดทนรอให้สู้ต่อไปยังมีคนที่ห่วงใยยังมีน้ำใจไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ฟ้าทล่มในคืนที่ดินถลนลายในวันที่เดือดร้อนใจพวกเขาจะมา จะปลุกน้ำลุยโคลนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนมีราบุรุษสีเขียวเหนื่อยล้าหมดแรงก็ต้องทนเพื่อคนไทยทุกคนได้หลับสบายใ น, นวันที่ฟ้าถล่มในคืนที่ดินทลาย ใจพ ว, จวีราบุรุษสีเขียวรัดเดียวมีใจให้จะปลุกน้ำลอยโคลนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนวีรบุรุษสีเขียว ใจให้จะปลุกน้ำ ล, ลุยโคลนเข้าไปปกป้องคนไทยทุกคนวีรบูรุษทหารกล้าเพื่อปวงประชาก็ต้องทนเพื่อคนไทยทุกคนได้หลับสบาย